โชริสิเดนก่อปฏิบัติตามคำสั่งโดยเขียนคำประท้วงไปวางที่ศาลาลูกขุนหลุดดอกในพระราชวังกรุงมันดะเลในเรื่องนี้ควรจะบอกไว้เป็นเกร็ดสักนิดหนึ่งว่าพระเจ้าสีป่อได้ทรงประกาศไว้เป็นพระราชปฏิญาณเป็นมั่นคงไว้แต่ตอนขึ้นสุวยราชว่าจะไม่ยอมไม่ทรงยอมให้ฝรั่งเข้าเฝ้าเปน็นอันขาด ไม่ว่าจะเป็นในโอกาสใดหรือในราชการหรือกิจการใดๆทั้งสิน้นฝรั่งจึงไม่สามารถเข้าไปขอพระราชทานชีวิตใครต่อใครได้เหมือนในราชการของพระเจ้ามินดูในเรื่องนี้ผู้เขียนเองออกจะเห็นพระเจ้าฤาษทยพระเจ้าสีปอดเต็มทีเพราะเอาราผู้เขียนจะยกเรื่องของตัวเองมาคุยกันบ้างสักนิดนึง ว่าทุกวันนี้ก็มีแต่ฝรั่งโทรเข้ามาขอพบวันลรหายหลายคนหลายหนเป็นนักงสือพิมพ์บัง่งนักวิทยุบัง่งนักโทรทัศน์บั่งและนักนักอะไรต่อนักอะไรตลอดจนนักท่องเที่ยวมาถึงเมืองไทยก็ต้องการจะมาพบผู้เขียนราวกับว่าผู้เขียนเป็นพระนอนวัดโพครั้งจะยอมให้พบหมดทุกคนเห็นจะไม่ต้องอมาหากินกันบางคนปฏิเสธขอตัวไปอย่างสุภาพ ก็ไม่ยอมคงดื้อดึงจะพบให้ได้บางทีก็บุกมาถึงบ้านต้องนั่งให้สัมภาษณ์กัน ท, ทั้งที่หนุ่มผักเขามาอยู่ก็ยังมีหน้ากลุ้งใจเต็มทีในพนิกงานคนหนึ่งกับภรรยามาถึงเมืองไทยแล้วสั่งนายฐานติดต่อฝ่ายไทยว่าเคยรู้จักกับผู้เขียนจะขอมาเยี่ยมผู้เขียนผู้เขียนได้ยินชื่อแล้วก็ตอบไปว่าไม่เคยรู้จักเ อ, อจะเป็น ผิดชายของผู้เขียนละกระมังเพราะผิดชายผู้เขียนท่านคบฝรั่งระดับในพลก็ได้รับคำตอบว่าไม่ใช่ว่าผู้เขียนนี่แหละที่ท่านในพลและภรรยารู้จักและจะมาเยี่ยมให้ได้ผู้เขียนก็เลยแต่บอกว่าเชิญเอมาก็มาพอมาพบกันเข้าจริงๆก็ไม่เคยรู้จักกันจริงๆแหละผู้เขียนสาบานได้ ว่าแต่เกิดมาช่วท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยรู้จักในคนอเมริกันพระยาคู่นี้เลยแต่เมื่อยอมให้มาหาก็เลยกลายกลายเป็นรู้จักกันไปแล้วมาคราวหลังก็วุ่นวายจะมาพบกันอีกมันกรรมของผู้เขียนแท้ๆฝรั่งอย่างเดียวยังไม่พอคนไทยที่ชอบคบฝรัง่งก็ยังชอบมายุ่งกับผู้เขียนอีกชอบโทรศัพท์ติดต่อมาว่าฝรั่งคนนั้นคนนี้จะมาพบอยากพบ จะปฏิเสธก็เสียมิดจำใจต้องพบทั้งที่ไม่อยากพบและเมื่อเ ร, เร็วนี้เองใครก็ไม่สับจะเรียงอาหารจีนเพื่อนฝรัง่งโทรศัพท์มาถามผู้เขียนยืดยาวว่าเจ้าเครื่องในหมูเนี่ยเรียกว่าอะไรเป็นภาษาอังกฤษกระเพาะหมูเนี่ยเรียกว่าอะไรกุ้งอบพริกไทยในหมอ้อดินเรียกว่าอะไรบอกให้ก็ยังเถียงอีก ว่าถามฝรั่งเขาแล้วเขาบอกว่าเรียกอย่างนั้นเรียกอย่างนี้อืมก็าถามมาแล้วรู้มาแล้วยังดันมาถามกันอีกเกิดชาติหน้าผู้เขียนจะไปขอเกิดเป็นคนนิกโกรในประเทศแอฟริกาใต้จะได้ถูกฝรั่งกีดกันไม่ให้เข้าใกล้ทุกวันนี้ก็จะนึกอิจฉาเขาอยู่แต่มาคิดๆไปอีกทีถ้าไปเกิดอยู่ที่นั่นจริงๆ คงจะแย่กว่านี้อราวนี้ผู้เขียนท่านพรรณนาเรื่องของท่านปัดเอามาเข้าเรื่องกันอีกความว่างอย่างไรก็ตามกินวุ่นมิ่นกี้ก็ได้ประชุมขุนนางในหลุดดอกพิจารณาคำประท้วงของรัฐบาลอังกฤษ แล้วก็มีสารตราตอบไปว่าสุภาพสอนเสนาบดีกรุงรัตนบราอว่ามีมายังในชอรเรซิดเน์อังกฤษด้วยเสนาบดีได้รับสารของท่านลงวันที่19ภกุมภาพันธ์คริสตศักราช1879ตรงกับพุทธศักราช2422แล้ว ขอแจ้งให้ทราบว่าอันพระจนาจากพม่านั้นมีพระมหากษัตริยราชผู้ทรงอิสรภาพปกครองอยู่เป็นเอกราดเมื่อปรากฏว่ามีเหตุผลที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในแผ่นดินก็เป็นธรรมดาและเป็นประเพณีอยู่เองที่จะทรงระงับเหตุนั้นๆตามแต่พระเจดาริตเพื่อประโยชน์สุขของสมณะชีพรามอนณาประชาราษฎร และเพื่อพระบวรพุทธศาสนาตามพระราชประเพณีและพระราชกำหนดกฎหมายทั้งปวงหากมีเหตุที่จะก่อยุคเข็นขึ้นก็จะต้องทรงระงับเหตุนั้นเสียมิได้ทรงคำนึงว่าพระราชกรณียกิจนั้นจะมีพูดตำหนิติชมประการใดแต่จะต้องทรงคำนึงถึงพระบวรพุทธศาสนาและพระราชสิมาอนาจักรเป็นที่ตั้ง ด้วยเหตุสองประการที่กล่าวมาแล้วราชาการทั้งวงที่ท่านได้อ่านถึงนั้นก็เด็กเป็นไปตามพระราชประเพณีทุกประการจึงขอแจ้งมาให้ท่านทราบตามทางพระรชจมตรีระหว่างกรุงรัตนบุรอังวะและกรุงอังกฤษที่ได้เคยมีต่อกันประดุดเป็นสุวรรณปตพีอันเดียวกันนี่คือหนังสือตอบ ว่าอย่ามายุ่งกับฉันมันเรื่องของฉันฉันทำอย่างนี้ถูกต้องดีแล้วเมื่อสุพาพสอรเสนาบดีตอไปแล้วพม่า ก, ก็นั่งรอให้อังกฤษยกทัพมาตีเมืองพระเจ้าสีปอตรัสั่งให้เกณฑ์ทหารจากรัฐไทยใหญ่ต่างๆที่เป็นเมืองประเทศสราชอยู่เอามาไว้ที่กรุงมัณฑเลยเป็นอันมากทหารไทยใหญ่ที่ยกมาครั้งนั้น หากต้องใช้รบจริงๆก็คงเกือบไรประโยชน์เพราะมีแต่จำนวนขาดการฝึกฝนในวิชาทหารและเมื่อไม่มีการสงครามเกิดขึ้นจำนวนทหารที่มีมากมายนั่นเองก็เป็นที่หน้าเกรงขามเพื่อจะบำรุงน้ำใจทหารพระเจ้าสีปอโปรดให้จ่ายเบีย้ยเลี้ยงล่วงหน้าถึงหนึ่งเดือนกรุงมันดาเล ก็คลึกครื้นด้วยไพรพลทำให้พระเจ้าสีปอและขุนนางทั้งปวงสำคัญตนเองผิดไปได้อีกมากบรรดาป้อมปราการต่างๆริมแม่น้ำมีรวดีในเขตพมา่าก็ได้มีการบุรณะซ่อมแซมเอาปืนใหญ่ขึ้นตั้งบนเชิงเทินหากอังกฤษยกทัพมาทางเรือก็จะได้ยิงเสให้จมไป การตระเรียมไพร่พลและป้อมปราการเพื่อรบกับฝรั่งนี้ได้ทําให้คนที่เกลียดฝรั่งอยู่แล้วได้ใจขุนนางดารัสดพรพม่าเริ่มดูหมิ่นฝรั่งและคนในบังคับชาติอังกฤษและชาติอื่นๆในยุโรปหนักขึ้นไปยิ่งกว่าเดิมฝรั่งและคนในบังคับถูกคุกคามเล่นรังแกดูถูกด้วยวิธีต่างๆและสถาน Re สซิเดน์ของอังกฤษที่กรุงมันดาเรก็ถูกทหารยามที่มาคอยเฝ้าขวดขันเอากับคนที่มาติดต่อเสียจนไม่มีใครมาติดต่อด้วยในชอเรสซิเดน์อังกฤษก็มาเกิดตายขึ้นด้วยโรคภัยไข้เจ็บเอาในปัจจุบันรัฐบาลอังกฤษจึงตัดสินใจปิดเรสซิเดนต์เสียแล้วเรียกเจ้าพนัก ง, งานคนอื่นๆกลับอินเดีย และมอบไปกงสุนิตารีชื่อเชอร์วารีเออันเดรอโนเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของอังกฤษในพมา่าคนในอังกฤษและคนในบังคับอังกฤษก็อพยพจากพม่าเหนือลงมาสู่พม่าใต้ซึ่งอังกฤษปกครองอยู่โบทถฝรั่ง ซึ่งพระเจ้ามินดุงโปรดให้สร้างพระเจ้าทานแก่องค์การเผยแพร่คริสตศาสนาของอังกฤษก็ไม่มีนักบวชชาวอังกฤษอยู่ประจำอีกต่อไปแล้วก็เลยกลายเป็นวัดพม่าในาศาสนาพุทธบ้านช่องของเรซิเดนต์ก็มีคุณนางพม่าเข้าไปอยู่การที่อังกฤษยื่นประท้วงแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเกินไปกว่านั้นได้ทำให้พระเจ้าสีปอและคุนนางพม่า แน่ใจว่าความเห็นที่ว่าอังกฤษไม่กล้าทำการรุนแรงกับพม่านั้นเป็นความเห็นที่ถูกต้องอังกฤษต้องประท้วงเมื่อพม่าทำอะไรไม่ถูกใจอังกฤษต้องพูดแต่แล้วก็แค่นั้นเพราะอังกฤษดีแต่พูดการสงครามกับอังกฤษที่แล้วมาถึงสองครั้งสองหนจนอังกฤษยึดบ้านยึดเมืองเอาไปซสกว่าครึ่งนั้นดูเหมือน ผู้ครองแผ่นดินพม่าในสมัยนั้นจะลืมใส่แล้วและการหลงลืมแบบนี้แหละที่ได้ทำให้เกิดเรื่องใหญ่ต่อไปในขณะนั้นเงินทองในท้องพระครังของพระเจ้าสีป่อร้อยรอลงไปมากจนเกือบจามไม่มีเหลือ พระเจ้ามินดุงนั้นสร้างได้สร้างพระนครใหม่คือกรุงมัณฑะเลย์เนี่ยประเด็นทรงสร้างวัดวาอารามที่ใหญ่โตอยู่ตลอดรัชกาลโดยไม่ได้ทรงคํานึงถึงอะไราย ไ, ได้และก็ม่ได้คํานึงถึงรายจ่ายมาถึงรัชกาลพระเจ้าสีปอกก็ปรากฏว่าไม่โปรดการสร้างวัดหรือการบําเพ็ญพระเจ้กุศล ทั้งที่ก่อนเสวยราชพระเจ้าสีป่อก็ทรงผนวดอยูอ่แต่เมื่อขึ้นครองราชแล้วก็ไม่โปรดการสร้างวัดการบำเพ็ญพระเจ้าพุศลแต่ก็ทรงจ่ายพระราชทรัพย์ในทางอื่นๆอนย่างมากมายอยู่เป็นประจำเพรนางสุภยรัต้องการซื้อเครื่องเพชรอยู่เรื่อยๆพระเจ้าสีป่อเองก็โปรดของแปลกๆใหม่ๆ ที่มีราคาแพงจากยุโรปทั้งที่ไม่โปรดฝรัง่งแต่โปรดของแปลกๆใหม่ๆของฝรัง่งแต่ไม่โปรดฝรัง่งคือไม่ชอบชาวตะวันตกและในวังนั้นก็มีงานใหญ่เล่นละเมงละครเรียงดูกันอยู่ทุกวันไม่ได้ขาดทุกอย่างเนี่ยต้องจ่ายพระชจาทรัพย์มากๆทั้งสิน้นเมื่อเป็นดังนี้ พระเจ้าสีปอก็ต้องทรงหาทางที่จะทำให้เงินมาเข้าท้องพระคลังให้มากขึ้นในขั้นแรกก็ได้แต่การขึ้นภาษีอักรโดยเฉพาะอย่างยิ่งอากรสินค้าขาออกแต่เมื่อการติดต่อกับบังกฤษและฝรั่งชาติอื่นๆขาดไปก็ปรากฏว่าสินค้าขาออกนั้นลดน้อยลงถึงจะเพิ่มอัตราอากกรก็ได้เงินไม่มาก เมื่อหมดหนทางเข้าจริงๆพระเจ้าสีปอก็ต้องทรงใช้วิธีหาเงินเข้าทองพระคลังที่ยังเหลืออยู่อีกวิธีเดียววิธีนั้นคือการการออกหวยเบอร์ราษดอนพมา่านั้นชอบเล่นการพนันกันอยู่แล้วเออคล้ายๆกับราษดอนไทยอยู่เหมือนกันแหละ คุนนางกราบบังคมทูลวัถ้าทรงเป็นเจ้ามือการพนันเสียเองก็จะหาพระเจ้าทรัพย์ได้มากโดยไม่มีวันที่จะขาดแคลนอีกต่อไปหวยเบอร์ในเมืองพม่านั้นเริ่มออกจำหน่ายในปีพุทธศักราช2422พอออกจำหน่ายพม่าทั้งเมือง ก็คลั่งหวยเบอร์กันจนไม่เป็นอันทำมาหากินทุกคนก็อยากเป็นเศรษฐีง่ายๆด้วยกันทั้งนั้นน่ะจะพารนาหวยเบอร์พรมา่าให้ฟังสักหน่อยหวยเบอร์พรมา่านั้นมีสองชนิดคือหวยใหญ่และหวยเล็กหวยเล็กนั้นออกทุกวันทํานองหวยกอขอในเมืองไทยสมัยเดียวกันแหละน้อยมากกันซะเมื่อไหร่เมืองไทยเราก็มีหวยกอขอ หวยเล็กของพม่าเนี่ยออกทุกวันทำนองหวยก่อขอของเมืองไทยอะสลากใบหนึ่งขายกันราวๆใบระภัยหรือสามสตังในสมัยนั้นซึ่งหมายความว่าคนที่ยากจนที่สุดก็สามารถเล่นหวยได้เจ้าหวยเล็กนี่รัฐบาลไม่ได้ออกเองอะแต่ขายใบยอนุญาตให้แก่รัศดร ใครอยากเป็นเจ้ามือหวยเบอร์อยากเป็นเจ้ามือหวยเล็กเนี่ยก็ไปขออนุญาตเสียค่าธรรมเนียมให้แกทางราชการแล้วก็ขายสลากหวยเบอร์ได้การจ่ายรางวัล น, นั้นเจ้ามือต้องจ่ายเองเงินที่ขายหวยได้ทั้งหมดนั้นตกเป็นของเจ้ามือใครแทงหวยถูกก็จ่ายสี่สิบแปดต่อหวยเล็กนั้นออกทุกวัน ที่โรงหวยของทาราชการเลขที่ใช้ออกหวยนั้นมีอยู่60เบอร์เป็นประจำพิธีออกหวยเล็กซึ่งมีทุกวันนั้น mm. ก็มีคนไปคอยดูวันละมากๆเรื่องพิธีด้วยขุนนางมายังโรงหวยพร้อมด้วยทนายถือเครื่องยศตามหลังการออกหวยนั้น mm. เขาใช้ถังหรือกรองใบหนึ่ง บรรจุโลหะไปลูกกลมๆไปหกสิบลูกหนึ่งลูกในหกสิบลูกนั้นกระไหล่ทองพอได้เวลาขุนนางก็จะเรียกเบอร์หวยทีละเบอร์เจ้าพนัก ง, งานก็ขย่าวกรองจนลูกโลหะนั้นร่วงออกมาลูกหนึ่งถ้าไมิใช่ลูกที่กระไหลทองก็จะเรียกเบอร์อื่นต่อไปอีกจนกว่าเจ้าลูกกระไหล่ทอง จะลูกโลหะกระไหลทองจะร่วงออกมาก็ถือว่าเบอร์นั้นเป็นเบอร์ที่หวยออกสำหรับวันนั้นมีวิธีการออกหวยเขาเขาทำเช่นนี้ในหกสิบเบอร์คือหกสิบลูกนั้นจะมีลูกหนึ่งที่เป็นลูกกระไหลทองเอาก็จะขย่าวกลองจนทั่งล่วงมาทีละลูกทีละลูกทีละลูกทีละลูกสมมติว่าลูก พิเศษที่ทำไว้คือเจ้าลูกโลหะกระลายทองล่วงมาเป็นอันดับที่18หวยวันนั้นก็ออกเลข18แล้วลแหละการออกหวยแบบนี้ก็ออกจากยุติธรรมดีอยู่เพราะคนออกหวยนั้นไม่ใช่เจ้ามือคือเจ้ามือก็จะเรียกว่ามาขออนุญาตเสียค่าธรรมเนียมแล้วแต่ไม่ใช่เป็นคนออกหวยคุณนางเหล่านี้เรียกว่ารัฐบาลเป็นผู้ออก เจ้ามือไม่ใช่เป็นคนมาออกหวยเองแต่เจ้ามือมีทางขัดทุนหมดตัวบ่อยๆเหมือนกันปรากฏว่าเจ้ามือหวยหนีคนแทงไม่จ่ายรางวันเอาบ่อยๆทีเดียวนี่ว่ากันหวยเล็กส่วนหวยใหญ่นั้นขายเป็นจานวนมากออกเดือนละครั้งแล้วก็มีรางวัลรองๆลงมาหลายรางวัล สลากใบหนึ่งขายใบยละห้ารูปีรัฐบาลเป็นเจ้ามือเองและให้คนที่มีทุนร้อนรับสลากไปขายเป็นยีบปัวอีกทีหนึง่งคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งประจำเดือนนั้นทางราชการก็มีการยกย่องว่าเป็นเศรษฐีการออกหวยก็ทำเป็นพิธีรีตองใหญ่โตคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งนั้น ต้องเข้าไปรับเงินจากคุณนางและได้รับการยกย่องว่าเป็นเจ้าคุณเศรษฐีสำหรับเดือนนั้นเงนินรางวัลที่หนึ่งนั้นเป็นจํานวนหนึ่งหมื่นรูปีใส่ถุงนั้นหลายใบเมื่อได้รับรางวัลจากคุณนางแล้วผู้ถูกรางวัลที่หนึ่งก็จะได้ขึ้นช้างหลวงพร้อมด้วยเงนินรางวัลแห่ไปรอบเมืองเป็นการ โฆษณาหวยรัฐบาลไปในตัวคนในกรุงมัณฑะเลย์นั้นก็พลอยสนุกในการเล่นหวยกันไปทั้งเมืองพวกหมอดูและอาจารย์ใบ้หวยเนี่ยรุ่มรวยไปตามตามกันทีเดียวคุณนางทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อยเป็นจำนวนมากเป็นทั้งเจ้ามือหวยและยิบ ป, ปัวหวยสลากหวยเบอร์ออนั้น บางทีใช้แทนเงินซื้อข้าวซื้อของกันได้ด้วยพระเจ้าสีป่อทรงจ่ายเบี้ยววัดขุนนางเป็นหวยสัส่วนหนึ่งจ่ายเป็นหวยสัส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่มีใครเดือดร้อนเพราะถึงไม่จ่ายเป็นสลากหวยเบอร์ขุนนางก็จะเบี้ยววัดทั้งหมดที่ได้น่ะไปแทงหวยอยู่แล้วคนที่ไปติดต่อกับทางราชการ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องใดๆหากพกหวยเบอร์จำนวนมากเอาไปเจ้าพนักงานดูแล้วจะได้รับความสะดวกเป็นพิเศษเล่นหวยกันไม่ได้พาคใหญ่เงินตราในตลาดก็ขาดแคลนเพราะเงินตราไปตกอยู่แก่เจ้ามือหวยและอยู่ในท้องพระคลังพระเจ้าสีป่อเสียหมดแต่คนแทงหวย ก็หาทางแก้ปัญหานี้ด้วยการเอาแกะแหวนเงินทองหรือสพสินค้าต่างๆไปแทงหวยโดยโตก โ, โ, โดยคิดเป็นราคาเงินกับเจ้ามือหวยอะถึงมีพ่อเอาลูกสาวไปแทงหวยผัวจูงมือเมียไปแทงหวยหนักเข้าเจ้ามือหวยก็ไม่รับเอาผู้หญิงแทนเงินเพราะมีกันคนละมากเสียแล้ว โสเพณีก็มีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะผู้หญิงที่หวยกินจนหมดตัวออกเที่ยวหาเงินนำมาแทงหวยต่อเด็กเล็กขโมยเงินพ่อแม่เอามาแทงหวยพวกอันธพาลและหัวขโมยก็มีมากขึ้นทุกวันคนที่ถูกหวยบางคนได้เงินรางวัลไปไว้ไม่นานก็ถูกขโมยถูกปล้นจนหมดคดีฆ่าคนตาย เรคดีอุกจกกรอื่นๆก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวชาวไร่าชาวนาพากันทิ้งนาทิ้งไร่ขายนาขายไร่าขายสวนเอาเงินมาแทงหวยอยู่ในกรุงวันพระวันเจ้าก็เป็นอันวันเลิกกันคนไม่ต้องไปวัดกันละไปชุมมุมกันอยู่ตามโรงหวยเพราะหวยออกวันพระเมื่อคนไม่ทาบุญวัดก็เริ่มจะร้าง วัดไหนร้างทางราชการก็เข้าไปตั้งโรงหวยในวัดเลยเพราะวัดร้างแล้วอันนี้คือผลจากการหาเงินเข้าท้องพระครางของพระเจ้าสีป่อเมื่อพระเจ้าสีป่อเห็นราชทรัพย์มีมากขึ้นอย่างล้นเหลือก็ดีพระไทยนะทรงสอดส่องในราชการออกหวยนี้อยู่เป็นพิเศษเหนือราชการอื่นใด เมื่อมีขุนนางบางคนกราบบังคมทูลว่ารัตฎรพากันเล่นหวยซะจนเลิกธรรมาหากินกันแล้วก็มีพระเจะดํารสตอบว่าพจะต้องไปธรรมาหากินอย่างอื่นกันทําไมมีทางธรรมาหากินอย่างไหนบ้างอ่ะที่ลงทุนเพียงห้ารูปีแล้วได้เงินคืนถึงหมื่นรูปีภายในเวลาเดือนเดียวอ่ะพระองค์ตรัสตอบไปดังนี้ แต่ต่อมาโจนผู้ร้ายในกรุงมันดาเลก็เกิดชุกชุมขึ้นถึงกับต้องส่งทหารออกปราบพวกคนที่สิ้นเนื้อประดาตัวต้องเป็นคนร้ายหรานั้นก็หลบหนีออกจากกรุงมันดาเลแล้วก็ไปตั้งซองโจนตามหัวเมืองเที่ยวปล้นสะดมราสดรในชนบทหนักยิ่งขึ้นไปอีกเอ่เอเรื่องราวนี้ดูเผินๆก็าอาจจะนึกว่าเป็นเรื่องใหญ่ แต่ถ้าเอามาเทียบกับปัญหาต่างๆในเมืองไทยเราทุกวันนี้แล้วก็ดูจะเป็นเรื่องขีดผงเล็กนิดเดียวหวยเมืองพม่านั้นเล่นกันไปอยู่ราวสามปีคนเล่นก็น้อยลง เพราะคนส่วนมากอยากจนลงจนเลิกแทงหวยไปเองคนที่ยังไม่จนก็เบื่อเพราะเริ่มจะมองเห็นกันออกละว่าคนที่เร่นหวยรวยนั้นน่ะมีอยู่คนเดียวคือพระเจ้าสีปอเมื่อโรงหวยโรงใดไม่มีคนเข้าพระเจ้าสีปอก็ประกาศให้ปิดเสียในประกาศนั้น ก็มักจะมีข้อความว่าทรงเห็นว่ารัษดรยากจนลงเพราะการพ น, นันทรงพระกรุณาแก่ประชารัษดรจึงให้ปิดโรงหวยเส้อเป็นบางแห่งและยังมีข้อความต่างๆที่เป็นการเอาใจอาณาประชารัษดร อ, อยู่แต่พระราชทรัพย์ที่ได้มาจากการออกหวยนั้นก็คงอยู่ไม่นานเพราะพระเจ้าสีป ไม่ได้ลดรายการใช้จ่ายพระชาทรัพย์ลงเลยกลับทรงใช้หนักยิ่งกว่าแต่ก่อนเมื่อพระชาทรัพย์ร่อยหรอลงอีกพระเจ้าสีปอก็ทรงปรึกษาขุนนางภาษีอกรต่างๆก็เก็บในอัตราสูงจนไม่สามารถจะเพิ่มได้อีกแล้วพระเจ้าสีปอและขุนนางก็มองเห็นทางที่จะได้พระเจ้ทรัพย์มากๆเหลืออีกทางเดียวเท่านั้นคือการ คบกับฝรั่งทางนี้ก็ไม่ล้าสมัยไปเลยและทุกวันนี้ก็ยังใช้กันอยู่การจะหาเงินมากๆได้จากฝรั่งนั้นก็ต้องเปิดให้ฝรั่งเข้ามารับสัมปทานทากิจการต่างๆในประเทศเช่นทําป่าไมา้เหมืองแร่และอื่นๆพระเจ้าสีปอก็เริ่มจะทรงเห็นว่าอ่า พระราชปฏิญญาที่ได้ทรงกระทําไว้เกี่ยวกับฝรั่งนั้นอาจจะเร็วเกินการไปเสียแล้วครั้นจะทรงบอกเลิกพระราชปฏิญญาเสเฉยๆปล่อยฝรั่งเข้าเฝ้าได้ก็ดูออกจะไม่เป็นพระเกติยศเพราะได้ทรงกระทําพระราชปฏิญญาไว้ต่อพระรัตนตรยัยคือต่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์และต่อหน้าคุณนายเป็นอันมากด้วยว่าจะไม่พบฝรั่งเนี่ยจะไม่ฝรั่งเข้าเฝ้า แต่พระเจ้าเสียพระเจ้าสีปอนั้นก็ไม่เสียทีที่ได้บวชเรียนมาจนเป็นป ร, รินสอบพระปริญญาได้เนื่อถึงคราวที่จะต้องทรงเสียสัจวาจาก็ทรงอ้างเหตุทางธรรมมาสนับสนุนได้เหตุที่ทรงอ้างนั้นก็คือบัดนี้ได้ทรงคำนึงถึงพรมิหารธรรมอันไดแก่เมตตาการุณาุตตาอุเบกขา ที่พระบรมศา ส, สดาได้ตรัสสั่งสอนไว้แก่เวไนยสัตว์ก็และปุทุชนผู้ยังไม่ได้ล่วงพ้นเป็นวิมุตจากอุปทานและกิเลสทั้งปวงอันได้แก่โกรธโลภหลงนั้นย่อมจะยังตั้งอยู่ในองค์สี่ประการคือฉันทาคติโทสาคติโมหคติและพยาคติเป็นเหตุให้ขาดพรมวิหารธรรมไปบ้าง เรื่องที่รักมักที่ชังเรื่องคบคนเป็นบางหมู่บางราวซึ่งก็เป็นธรรมดาวิสัยของปุตุชนหาควรที่จะตำหนิตีเตียนผู้ที่กระทําเช่นนั้นไม่บัดนี้ได้ทรงคำหนึ่งว่าถึงแม้จะทรงอยู่ในวิสัยปุตุชนก็จริงแต่ก็ทรงอยู่ในฐานะเอกอักษรสนุปะถมัมภกควรจะทรงตั้งอยู่ในพรหมมิหารธรรมให้หนักยิ่งกว่าปุตุชน ธรรมดาสามัญการที่เคยทรงห้ามปรามมิให้ชาวต่างประเทศบางชาติบางภาษาเข้าเฝ้าทูลลอองทูลีประบาทนั้นถึงแม้ว่าจะได้ทรงกระรำไปด้วยมีพระมหากรุณาต่ออนณาประชาราษฎร์และด้วยพระราชศรัทธาเรื่องสายในพระบวรพุทธศาสนาก็จริงแต่ก็อาจเป็นเหตุให้มีผู้ที่ยังไม่ทราบในนามพระจริญไทยพากันสงสัยคลางแคลงไปได้วัดทรงขาดพรหมวิหา ร, รธรรม มีได้ทรงพระหมหาการุณาต่อชาวต่างประเทศผู้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารเป็นยุติธรรมเสมอกับจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ประกาศให้ทราบถูกกันว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปหากชาวต่างประเทศที่เป็นฝรั่งคนใดมีความประสงค์จะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีประบาทด้วยเรื่องราชการก็ดีหรือด้วยเรื่องอื่นใดก็ดี ก็ให้แจ้งเข้ามายัางสาลาลูกขุนหากลูกขุนเห็นสมควรนำขึ้นเฝ้าทูลอองทูลรีพระบาทได้ก็ให้นำนาตัวขึ้นเฝ้าตามราชประเพณีอย่าได้ห้ามปรามอีกต่อไป อย่าได้ห้ามปรามอีกต่อไปนี่คือยกเหตุยกผลอย่างนี้เอาเมตตากรุณามุติตาอุเบกขามาตั้งเลยการเข้าเฝ้าตามราชประเพณีนั้นก็หมายความว่าฝรั่งจะต้องถอดเกือกแล้วเข้าไปนั่งกับพื้นเฝ้าในทองพระโรงเวลาเสด็จออกขุนหนัง ดูเรื่องฝรั่งเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นินพม่าแล้วก็น่าเห็นใจพม่าที่ดูถูกฝรั่งพอพระเจ้าสีปอโปรดได้ฝรั่งเข้าเฝ้าอ่าโปรดได้ฝรั่งเข้าเฝ้ากันได้อีกฝรั่งก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนดูเหมือนจะไปออกันแน่นอยู่ที่สลาลูกขุนหลุดดอและหน้าท้องพระโรง เพื่อหาโอกาสเข้าเฝ้าพระเจ้าสีป่อฝรั่งพวกนี้เป็นพวกท่องเที่ยวสแสวงหาโอกาสไปทั่วโลกหาสมบัติานหาเงินหาตําแหน่งหาชื่อเสียงหาอำนาจและหาตัวเองเพราะหาที่เมืองฝรั่งไม่พบฝรั่งยอมปฏิบัติตามระเบียบของราชสมบัติในการเข้าเฝ้าคือยอมถอดรองเท้าและยอมก้งโคง้ง มอบคลานต่างๆสุดแต่พม่าจะสั่งขอแต่ให้เข้าถึงพระเจ้าศรีป่อเป็นพอส่วนพระเจ้าศรีป่อนั้นทรงเป็นคนเก้อเขืนไม่ได้เข้าคนเก่งและตรัดเล็กปรัดน้อยเก่งเหมือนพระเจ้ามินดุงผู้เป็นสมเด็จพระชนกนาเมื่อฝรั่งเข้าเฝ้าพระเจ้ามินดุงนั้นพระเจ้ามินดุงทรงมีเรื่องปรัดกับฝรั่งได้เรื่อยไปแต่ แต่เมื่อฝรั่งเข้าเฝ้าพระเจ้าสีปอพระเจ้าสีปอก็ไม่ได้มีเรื่องจะกรับด้วยอย่างดีก็มีพระเจ้ปฏิสันถานสามนัดตามประเพณีแล้วก็ประทับหนึ่งจ่องหน้าฝรัง่งแล้วปุ๊บปับก็ผ่านเสด็จขึ้นเอาเฉยเฉยอย่างนั้นแหละแต่พระเจ้าทรัพย์ก็เริ่มจะไหลเข้าสู่ทองประครังอีก เพราะฝรั่งยินดีจ่ายเงินเป็นจํานวนมากให้เป็นค่าสัมปทานต่างๆสัมปทานป่าไม้นั้นเป็นเรื่องใหญ่เกี่ยวกับเงินทองเป็นจำนวนมากมายเกินที่จะประมาณได้เพราะราชน า, าการของพระเจ้าสีปอในสมัยนั้น เ, เรียกว่าเมืองพมานะ่าเน่ยเต็มไปได้วยป่าสักการทําป่าไม้การตัดไม้อะต้องใช้เงินทุนมากที่สุด ผู้หงได้ตั้งบริษัทขึ้นเพื่อทำป่าไม้ในพมา่าแต่ความจริงควรจะพูดให้ชัดเพื่อตัดป่าไม้บริษัทอังกฤษที่สำคัญก็คือบริษัทบอมเบ่พม่าจำกัดมีสมักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองบอมเบ่ประเทศอินเดียบริษัทนี้ได้สัมปทานป่าหญ่อยู่แล้วในพม่าใตา้ซึ่งอังกฤษปกครองอยู่พอพระเจ้าสีปอทรงเปิดโอกาสให้ บริษัทบอมเบ่พม่าก็ได้รับสัมปทานป่าไม้ในพม่าเหนือเข้าทำป่าใช้คนงานจานวนนับเป็นพันๆนคนและช่างหลายร้อยเชือกเพื่อการชักรากไม้บริษัทขนาดนั้นจะต้องมีทุนรอนมากมายพระเจ้าศรีป่อและคุณนางของพระองค์ได้หมายไว้แต่แรกว่าจะต้องทำให้บริษัทบอมเบ่พม่า จ่ายเงินให้แก่พม่ามากที่สุดเหลือขนกลับไปเมืองบอมเบ่ได้แต่น้อยในระหว่างนั้นพระนางสุภยรัตทรงพระคันและประสูตเป็นเจ้าฟ้าหญิงถึงแม้พระเจ้าศรีปอดจะไม่พอพระจริญไทยนักที่ยังไม่ได้เจ้าฟ้าชายไว้สืบราชชสันตติวงศ์พระนางสุภยรัต์ ก็ทรงกําหนดว่าจากฟ้าหญิงที่ประสูตินั้นจะต้องทรงรับพระอิสริยยศอันยิ่งใหญ่นับตั้งแต่วันขึ้นพระอู่เป็นต้นไปเพราะพระนางสุพยรัตน์ทรงทราบดีว่าถึงแม้ว่าผู้ชายจะได้ครองแผ่นดินผู้ที่ใช้อำนาจที่แท้จริงนั้นก็คือผู้หญิงด้วยเหตุนี้ ในงานขึ้นพระอู่เจ้าฟ้าหญิงบรรดาสตรีบรรดาศักดิ์เมืองพมา่าที่เป็นพระยาเสนาบดีและพระยาขุนนางจึงเข้าไปเฝ้าถวายของกันหนาแน่นพระนางสุภยรัตได้ทรงเลือกกุลสตรีที่เป็นบุตรหลานข้าราชการเข้าไปเป็นพระพี่เลี้ยงเจ้าฟ้าหญิงหลายคนในจํานวนนี้ก็มีสตรีสาวรูปงามผู้หนึ่งชื่อมะขินคยีเป็นหลานปู่ของเสนาบดีตําแหน่ง ขำปัดวุ่นกี้และเป็นหลานสาวของคุณนางตำแหน่งภักคันอัตวินวุ่นทั้งสองท่านนี้เป็นคุณนางที่มียศวาสนามากเมื่อพระเจ้าสีปอเสด็จมาเยี่ยมพระชธิดาได้ทอดพระเนตรเห็นรูปโฉมมะขินขยีก็ต้องพระราชฤทัยนักมีความปฏิพัฒน์เสนหาในตัวนาง ยิ่งได้ทอดพระเนตรเห็นมากเข้าก็ยิ่งมีพระเจริญไทยสเสน่หามากขึ้นก็ประทับอยู่กับพระเจ้าธิดาิดักครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเป็นเวลานานเพราะจะมีนางมะขินขยีคนเนี้ยเฝ้าอยู่ด้วยแต่พระเจ้าสีปอก็ไม่ได้ปรัสกับนางว่าอย่างไรดูทีจะทรงระวังพระองค์อยู่มากเพราะทรงทราบว่าพระนางสุภยรัตน์นั้น มีความหึงหวงยิ่งนักหากมิทรงระวังตามควรนางมาขินขยีเนี่ยอ่าอาจจะเคราะหร้ายเป็นอันตรายซสก่อนก็ได้แต่ความสเสน่หานั้นท่วมท้นพระราชรัชไทยพระเจ้าศรีป่อคิดแต่จะใคร่ใดนางมาเป็นบาทบริจาริกาวันหนึง่งจึงให้แตงดามหมินกี้ผู้เป็นข้าหลวงเดิมนั้นเข้ามาเฝ้าในที่ระโหรฐาน แล้วกดตรัตเร่าความให้ฟังแตงดามินกีเด็กสาบความนั้นก็กราบทูลว่าตามขัตยราชประเพณีนั้นพระมหากษัตริย์เจ้าย่อมจะมีพระอัคมเหสีมีพระมเมหสีและมีพระสนมได้เป็นอันมากหาควรที่จะร้อนพระราชฤทัยไหมหากโปรดปราณามะขินขยีแล้ว ก็น่าจะได้ยกนางขึ้นเป็นพระสนมได้เลยทีเดียวพระเจ้าสีปอจะตรัสว่าทรงเกรงกลัวพระนางสุภยรัตน์ก็ละอายพระไทยนักก็จึงทรงอ้ำอึ้งอยู่แต่งดา ม, มินกี้เห็นดังนั้นก็เข้าใจจึงกราบทูลว่าเรื่องนี้ข้าพระองค์ขออาสาให้ได้นางมะขินขยีมาเป็นบาทบริจาริกาให้จงได้ ข้าพระองค์มีหลานชายอยู่คนหนึ่งยังเป็นเด็กเล็กเข้าในพระเจาฐานชั้นในได้ข้าพระองค์จะใช้หลานชายไปพูดจานัดหมายกับนางมะขินขยีดูท่วงทีก่อนขอพระองค์อย่าได้ทรงพระวิตรกเลยแต่งนางมิจกิรับคําชะนีแล้วก็ให้หลานชายเป็นสื่อเข้าไปพูดจากับนางมะขินขยีถึงเรื่องที่พระเจ้าสีปอทรงปฏิพัฒน์เสนหาหในตัวนาง นางมะขินขยีก็ให้นึกเกรงพระอาญาของพระนางสุพยรัต์เป็นกำลังครั้นจะบอกปฏิเสธก็เกรงพระราชอาญาพระเจ้าสีป่ออีกเล้าก็จึงตอบบายเบียงว่าข้าพระเจ้านี้มีพระคันอั ต, ตวินบุญผู้เป็นลุงเดือกระการะเรียงดูมาแต่อ้อนแต่ออก ประดุดเป็นบิดาบังเกิดกล่าวการใดๆก็สุดแล้วแต่ลุงของขบ aja จ, จะว่ากล่าวตกลงเจ้าจงไปกราบบังคมทูลกับพระเจ้าสีปอให้ปรับเรื่องนี้กับลุงข้าพเจ้าเถิดมา่ว่าลุงขาเจ้าตกลงถวายตัวขพเจ้าแก่พระเจ้าสีปอขพเจ้าก็ยอมตามนั้นเด็กชายผู้เป็นหลานของแตงดาวมิงกี ก็นำความกลับมากราบทูลพระเจ้าสีปอพระเจ้าสีปอได้ทรงทราบความแล้วก็ตรัสสั่งให้แตงานามินกี้และคุณนางคนโปรดอีกคนนึงเข้ามาเฝ้าคือยาน่องมินทาสำหรับยานนองมินฐานี้มีชื่อว่าเป็นนักเลงัรตรีเต็มตัวทีเดียวคือว่าเที่ยวผิดลูกผิดเมียผู้อื่นมาแล้วม า, มากต่อมากอาศัยที่ยาน่องมินาเป็นที่โปรดปราของพระเจ้าีปอ ก็ไม่ได้มีผู้ใดกล้า ว, ว่ากล่าวฟ้องร้องหากยานองมิน tha ได้สมัครสังวาดกับปริยาผู้ใดและสามีไม่ได้ว่ากล่าวยานองมิน t าก็ยกย่องให้ผู้เป็นสามีของหญิงนั้นได้เจริญในราชการพระเจ้าศีป่อนะทรงนับถือยานองมิน t าในเรื่องนี้อยู่จึงปรัดเรียกเขามาปรึกษาด้วย แต่งดาหมินกี้และยันนองมินถานั้นไม่ชอบใจในการที่พระนางสุพยรัตน์มีอำนาจเหนือพระเจ้าศรีปออยู่แล้วเมื่อได้ทราบว่าพระเจ้าศรีปอโปรดปรานสตรีอื่นชาเนียก็ยินดีเพราะต่อไปจะเป็นหนทางที่จะหักล้างอำนาจพระนางสุพยรัตน์ลงได้บงังคุณนางพวกทั้งสองคนนี้จริงช่วยกันสนับสนุนพระเจ้าศรีปอแต่ถึงอย่างนั้น คุณนางทั้งสองก็ยังเกรงกลัวพระนางสุภยรัต์อยู่มากจึงออกอุบายให้พระเจ้าศรีปอจัดตาหนักเรือนหลวงขึ้นหลังหนึ่งไว้ข้างหน้าใกล้ๆกับเรือนมหาเล็กซึ่งพมา่าเรียกว่าเล็สันดอหากได้ตัวนางมากินขยีมาไว้ณีิตาหนักนั้นพระเจ้าศรีปอจะเสด็จไปสมสู่ด้วย พระนางสุพยรัตก็คงจะไม่ทรงทราบเพราะตำหนักนั้นนี้ได้อยู่ในรัชฐานชั้นไหนสองกุณนางนี่กล่าวแนะดังเนี้พระเจ้าสีปอก็โปรดให้จัดตามนั้นหลังจากนั้นแล้วพระเจ้าสีปอกตรานเรียกให้พระคันอัตวินวุนและพระยาเข้ามาเฝ้า ขอมากินขยีจากคนทั้งสองพระคันตะวินบุญรและประยากกเกงรงกลัวอำนาจพระนางสุพยรัตอยู่เช่นเดียวกับคนอื่นๆก็กราบบังคมทูลอีดอื่นไปต่างๆแต่พระเจ้าสีปอก็รับสั่งว่าจะทรงชุบเลี้ยงนางมากินขยีให้เป็นมาเหสีตำแหน่งตำแหน่งอ่ามหยอกนันดอ หรือพระมเหสีฝ่ายเหนือพระคันอัตวินุ่นจึงยอมถวายเพราะตำแหน่งพระมเหสีฝ่ายเหนือนั้นก็ไม่ใช่ตำแหน่งเล็กน้อยผู้ใดได้เป็นแล้วก็อย่อมจะมีอานาจวาสนาบรมีเป็นที่พึ่งแก่ญาติได้ ม, มากเมื่อทุกอย่างได้ตรเตรียมเรียบร้อยแล้วพระคันอัตวินุ่นค่อยนามากินขายี ทูลลาพระนางสุพยรัตออกมาอยู่บ้านพระนางสุพยรัต์มีได้ทรงสราบความตื่นลึกนาบานประการใดก็ยอมอนุญาตให้นางมากินขยียออกไปอยู่บ้านได้เมื่อนางมากินข ย, ยีออกไปอยู่บ้านได้พักหนึ่งพระคันอัตวินวุ่นก็นำตัวนางมากินขยียไปไว้ที่ตำหนักใกล้เรือนมหาเล็กหลวงที่ข้างหน้าอ่า ที่จัดทาไว้แล้วนะ่ะพระเจ้าสีปอก็เสด็จมาสมสู่อยู่กับนางเป็นนิสพระนางสุประโยชน์ก็ไม่ได้ทรงทราบเพราะคิดว่าเสด็จออกวารชการข้างหน้าคนที่รู้เห็นในเรื่องนี้มีอยู่มากแต่ก็ไม่มีผู้ใดกล้าแพ่งプายให้รู้ถึงพระนางสุประโยชน์เพราะพระเจ้าสีปอ มีพระเจ้ากระแสะกำชับไว้ว่าหากปรากฏว่าพระนางสุพยรัตน์ทรงทราบเรื่องนี้จากผู้ใดจะตัดหัวผู้นั้นเสด็ทันทีจากนั้นพระนางสุพยรัตน์ทรงพระคันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพวกขุนนางคนสนิทของพระเจ้าศีป่อขอกราบังกรมทูล บอกอุบายที่จะทำให้พระองค์ได้ออกมาประทับอยู่กับนางมะขิงขยีมากขึ้นกว่าเดิมอุบายนั้นก็คือให้พระเจ้าสีป่อไปตรัสกับพระนางสุปยารัตน์ว่าโหนหลวงกราบบังคมทูลว่าพระเจ้ารูกเธอในพระคันนั้นบุญวัดสนามากนักเพื่อที่จะรักษาพระเจ้ารูกเธอให้อยู่ในพระคันต่อไปจนกว่าจะถึงเวลาประสูตนทั้งพระเจ้าสีป่อและพระนางสุปยรัตน์จะต้อง รักษาอุโบสถเถรศีลไปจนครบท้่นเจ็ดวันในระหว่างนั้นก็ต้องแยกกันประทับแยกกันอยู่ไม่ให้พบปะกันเลยฟังดูก็เหมือนเด็กเล่นหลอกกันแต่พระเจ้าศรีปอผู้สิงกำลังหลงหลานางมะขินเคยีก็ทรงเห็นด้วยกับอูบายนั้นแล้วก็ไปตรัสแก่พระนางสุปัยรัตตามนั้นละ่ะ พระนางสุพยรัตก็มีได้สงสัยสั่งให้จัดแจงตาหักใหม่ข้างในแล้วก็เสด็จไปสรงอุโบสถตสินอยู่ในตำหนักนั้นส่วนพระเจ้าศรีปอ น, นั้นก็เสด็จออกมาประทับอยู่ข้างหน้าที่เรือนหลวงซึ่งนางมะขินขยีอาศัยอยู่พวกคุณนางคตรศรก็เฝ้าแหนเลี้ยงดูกันคึกรื้นทุกวันจนครบกำหนดเจ็ดวัน หลังจากที่เดชทรงราอุโบสถสินแล้วไม่นานนักพระนางสุพยารัตก็ประสูติพระราชธิดาอีกองค์หนึ่งอเป็นพระราชธิดาอีกนี่องค์ที่สามองค์ที่หนึ่งเป็นพระโจรตนั้นก็อเกิดฝีดาดกินเมืองสิ้นประชนไปอ่ะอามาองค์ที่สามนี่ก็เป็นหญิงองค์ที่สองที่อยู่ก็เป็นหญิงองค์นี้เป็นหญิงอีก พระเจ้าสีป๋อทรงเห็นว่าโอกาสนั้นเป็นโอกาสที่ควรจะตรัสบอกพระนางสุปยรัตเรื่องนางมะกินขยีเพราะทรงคิดว่าเหมือนนางประสูติพระเจดีย์ที่องค์หนึ่งเป็นสององค์เขาแล้วเนี่ยพระนางสุปยรัตก็คงจะทรงอนุโลมตามเพื่อพระเจ้าสีป๋อจะได้ทรงมีพระเจ้บุตรกับพระมเหสีอื่นด้วยพระนางสุปยรัตก็เคยตรัสอยู่บ่อยๆว่าใครใช่พระเจ้าสีป๋อมีพระเจ้กุมารไว้สืบพระชจ้สันตติวงศ์ แต่พระเจ้าสีปอทรงเดาพระไัยพระนางสุพยรัตน์ผิดไปถนัดเพราะพอพระนางสุพยรัตน์ทรงทราบว่าพระเจ้าสีปอได้นามักินคยีมาเป็นพระสนมก็ทรงกริ้วโกรธหึงหวงเป็นที่สุดซ้ำยังทรงโทมนัดที่พระเจ้าสีปอหลอกลวงทําให้พระองค์เป็นที่เย้ยยันของคนในวังและคนทั้งปวงทั่วไป ความโกรธของพระนางสุพยรัตนั้นไม่มีสิ่งใดดับได้พระนางกลัดสั่งให้พระเจ้าสรีปอนำตัวนางมะขินขยีมาให้แก่พระนางโดยด่วนพระนางจะกำจัดนางมะขินขยีเสเองแต่ม่ใช่ด้วยการประหารให้ตายทันทีแต่ใช่ตายช้าๆด้วยการทรมานคราวนี้พระเจ้าสรีปอ เกิดแข็งขึ้นมาบ้างละเพราะย่าหนองมินถาและขาราชการกรมารักษที่เป็นคนสนิทเคยเรียงดูกันได้กราบบังคมทูลศั่์ซ้อมไว้แล้วว่าจะได้ทรงยอมตามพระไทยพระนางสุพยรัตทีเดียวพระเจ้าสีปอกทรงปฏิเสธไม่ยอมมอบตัวนางมะขินขยีให้แก่พระนางสุพยรัต มิห น, นำซ้ำยังตรัสกับพระนางสุปยรัตนว่าจะทรงยกนางมะกินขยีขึ้นเป็นมาหยกนันดอคือเป็นพระมเหสีฝ่ายเหนือเืียกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พระเจ้าศีป่อทรงขัดพระไทยพระนางสุปยรัตนพระนางจึงกริ้วโกรธมากทรงตัดพ่อต่อว่าพระเจ้าศีปอด้วยถ้อยคำที่ขมขื่นรุนแรงต่างๆ แต่พระเจ้าสีปอก็ไม่ได้ตรัสตอบจนพระนางสุปยรัตเหนื่อยอ่อนนิ่งไปเองหลังจากนั้นพระเจ้าสีปอก็ตรัสสั่งให้นางมะขินขยีย้ายไปอยู่อีกตำหนักหนึ่งที่ข้างหน้าแล้วตรัสสั่งให้ยา น, นองมิน t h จัดเวณยามคอยดูแลรักษาเมื่อผู้ใดเข้าไปทำอันตรายแก่นางมะขินขยีได้ เวลานางมะขินขยีจะขึ้นฝ่าพระเจ้าสีปอให้แต่งกายเป็นชายคือคือทําเป็นแข็งทําเป็นไม่กลัวแต่แต่ก็ยังกลัวกลัวอยู่ต้องให้ปลอมตัวเป็นผู้ชายมีมารเล็กคอระแวดระวังขึ้นไปด้วยหลายคนเรื่องพระเจ้าสีปอต้องทรงใช้กลอุบายต่างๆ เพื่อจะได้สมสู่กับนางมะกินขยีนี้ก็ได้กลายเป็นเรื่องตลกขบขันของคุณนางาละคนในวงังต่างพากันกระซิบต่อๆกันไปอย่างสนุกพระเจ้าแผ่นดินพมา่าแต่ก่อนมานั้นหากต้องพระราชรุ่ยไทยในสตรีใดก็จะต้องทรงได้นางนั้นมาเป็นบาทบริจาริกาโดยไม่ต้องคำนึงว่าสตรีนั้นจะเป็นลูกเขาเมีย ใ, ใครประการใดก็ดู ดูภระยา น, น้อยกับนางม่วยมานิกในเรื่องราชาธิราชเป็นตัวอย่างก็ได้ถึงแต่ละแม่ทา้าซึ่งเป็นพระมเมษสีคู่ทุกูุอยากจะทรงถึงห่วงสักปานใดก็มิอาจขัดขวางได้แต่แต่พระเจ้าสีป่อนี้ต้องทรงใช่อุบายยอกย้อนต่างๆ น, นานาประการเพื่อให้นางมากินขยี้ได้มาเป็นพระสนมคนทัน้งปวง ก็ทราบว่าพระเจ้าสีป่อทรงเกรงกลัวพระนางสุพยรัตนเพียงใดในครั้งนั้นความจริงพระเจ้าสีป่อนั้นเมื่อก่อนจะสุเอราตก็ไม่ได้มีผู้ใดเคารพนับถือมากนักอยู่แล้วเมื่อสุเอราต์แล้วมาเกิดเรื่องขึ้นชนิดก็ยิ่งทำให้คนคลายความเคารพนับถือลงไปอีกมากแต่พระนางสุพยรัตนนั้นก็ยังไม่ยอมวางมือ ในเรื่องนางมะขินขยีนางได้เข้าปรึกษากับพระนางอะเลนันโดรพระจมารดาเพื่อจะหาทางกําจัดนางมะขินขยีให้จงได้พระนางอะเลนันโดนางพระยาช้างเผือกสินพยุมัชินนั้นแต่นี้คือเรียกกันได้เป็นสามชื่อเรียกพระนางอเลนันโดก็ได้นางพระยาช้างเผือกก็ได้สินมยุพชินก็ได้ พระนางเนี่ยชำมาในเรื่องราวนี้อยู่แล้วก็จึงปรัสกับพระนางสุปจรัสทิดาว่าพระเจ้าศรีปอนั้นถึงจะอ่อนแอสักเพียงใดก็ยังเป็นบุรุษเพศอันบุรุษนั้นเป็นของแข็งมีคมประดุจอาวุธอันทําด้วยเหล็กกล้าหากใครได้ถือไว้ในมือก็อจะมีอำนาจมากเป็นที่ยำเกรงแก่คนทั่วไปแต่โบราณก็ว่าหอกดาบนั้น หากไม่ถูกมือพูดถือก็หาประโยชน์มิได้เมื่อไม่มีทางที่จะหามาเปลี่ยนได้ใหม่ก็ต้องหลอมลงแล้วตีใหม่ให้ได้ขนาดถูกกับพระหัตถ์ลูกเราเพื่อจะได้ใช้ได้แคล้วคล่องธรรมดาเหล็กกล้านั้นจะหลอมรอมใหม่ก็ต้องใช้ไฟอันร้อนก็ความร้อนอันใดเรา จะเท่าเทียมกับสายอสุชชนของสตรีอันบุรุษชาติอาชารยนนั้นถึงจะมีน้ำใจแข็งแกร่งกล้าหาญสักปานใดก็ดีหากต้องด้วยน้ำตาสตรีเพียงหยดเดียวแล้วก็ย่อมจะอ่อนเปียกประดุษขี้พึ่งรนไฟพระลูกเราจะปั้นให้เป็นอย่างไรก็ยอมได้พระนางอเลนันโด จะได้ตรัสอย่างนี้หรือไม่ผู้เขียนก็ไม่ทราบระแต่ถ้าพระนางอะเล น, นันโดเคยอ่านเรื่องราชาธิราชมาบ้างก็คงจะตรัสอย่างนี้แน่ผู้เขียนเขียนมาอย่างนี้ก็เพราะได้อ่านเรื่องราชาธิราชมาแล้วความดาเนินต่อไปอย่างนี้ อย่างไรก็ตามพระนางสุพยรัตก็ได้เสด็จขึ้นฝ่าพระเจ้าศีปอในวันหนึ่งและขอไปกราบพระบาทสมพระกันแสงขอพระราชทานอภัยโทษพระนางสุพยรัตเด็กกราบบังคมทูลว่าพระนางได้รู้สึกสำนึกในความผิดของตนเองแล้วทุกประการพระเจ้ามเทีนทองนั้นชอบที่จะมีพระสนมกำมันเป็นบริวารประดุจดาวล้อมเดือน ยิ่งมีมากก็ย่อมจะเป็นพระเกียรติยศไปทั่วทุกทิศสานุทิดที่พระเจ้าศรีปอจะทรงยกนางมะขินคยีขึ้นเป็นพระเมศศีฝ่ายเหนือนั้นก็ถูกต้องตามราชประเพณีโบราณอยู่แล้วขอให้ทรงกระทําเสด็จโดยไวยเ้เถิดอย่าได้ทรงพระวิตร ก, กังวลเลยเมื่อได้ยกนางมะขินขยีขึ้นเป็นเมศศีฝ่ายเหนือแล้วก็ขอให้รับเข้ามาอยู่นะพระตำหนักตามตําแหน่งพระนางสุพยาลตจะเดชเสด็จไปมาหาสู ประดุดเป็นพี่น้องกันมิได้มีรังเกียจเดียดฉันพระนางขอถวายสัตว์ต่อพระเจ้าศรีปอว่าจะทรงรักใคร่ปรองรองกับนางมะขินขยีมิให้มีเรื่องคุณเคืองพระยุคลบาทต่อไปอีกเป็นอันขาดพระเจ้าศรีปวีได้ทรงฟังดนั้นก็ทรงยินดีนะักตรัสสั่งให้เตรียมการอภิเสกนางมะขินขยีขึ้นเป็นมเหศ์สีฝ่ายเหนือแต่นางมะขินขยีนั้น เคยเป็นข้าหลวงของนางของพระนางสุพยรัตน์มาก่อนย่อมจะรู้ในเลขคนต่างๆได้เป็นอย่างดีจึงมิได้วางใจพระนางได้ขอผัดพอรอยู่นานแต่ในที่สุดก็ขัดพระเจ้าสีปอมิได้จึงจำใจยอมรับอภิเสกเป็นพระเมษีฝ่ายเหนือและเข้ามาอยู่ยังตำหนักตามตําแหน่ง ในตอนแรกนะการก็เป็นไปด้วยดีพระนางสุพยรัตนเสด็จไปมาหาสูรกับพระนางมาหยอกนันดอและทรงพระเมตตาต่อพระเมษีฝ่ายเหนือโดยประการต่างๆตามที่เดชถวายสัตว์ไว้ต่อพระเจ้าศีปอจะรอยพระนางสุพยรัตนจะทรงคิดไปว่าเมื่อพระเมษีองค์ใหม่ได้เข้าอยุดเส้นในวัง ไม่มีเหตุที่จะต้องปิดบังซ่อนเร้นต่อไปแล้วพระเจ้าสีปอก็จะทรงเบือนายพระมเหสีองค์ใหม่ไปเองแต่การก็หาเป็นเช่นนั้นไม่พระเจ้าสีปอกกลับทรงหลงใยพระนาง ม, มาหยอกนันดอยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมหลงใยนางมาขินขยีเนี่ยมากขึ้นไปกว่าเดิมสเสด็จไปสมสู่อยู่กับพระนางมาหยอกนันดอยู่เป็นนิด คือเหตสีฝ่ายเหนืออยู่เป็นนิดมิได้ประทับอยู่กับพระนางสุพยรัตดังที่เคยมาแต่ก่อนพระนางสุพยรัตก็แข็แขนเคือนทรงแสดงกิริยาอาการดูถูกดูมินพระนางมาหยอกนันดออยู่บ่อยๆและทรงหาเรื่องกราบบังคมทูลฟ้องพระนางมาหยอกนันดอคือเหตสีฝ่ายเหนือคือนางมาขินขยีเนี่ยต่อพระเจ้าสีปออยู่เป็นนิด พระเจ้าสีปอทรงปรึกษาญาณนองมินถาและคุณนางในกรมหัดเรกในเรื่องนี้คุณนางเหล่านั้นก็กราบบังคมทูลให้ลงพระอาญาเสบ้างจะได้เข็ดหลากถ้าไม่ลงพระอาญาเสบ้างแล้วพระนางสุพยรัตก็จะมีแต่กําเริบเสบสารแล้วต่อไปพระเจ้าสีปอจะทรงหาความสุขมิดได้นี่สองที่ปรึกษาใหญ่ผู้ชํานาญในการนี้ กราบตูนแนะนำเช่นนี้พระเจ้าสีปอก็เสด็จเข้าไปในพระราชมเทีนรัสกับพระนางสุพยรัตให้รักษาสัตว์ที่เคยถวายไว้เลิกระรานพระนางมาหยอกนันดอดเสียแต่พระนางสุภยรัต์กลับโต้เถียงขึ้นเสียงกับพระเจ้าสีปอพระเจ้าสีปอก็ทรงพิโรธยิ่งนักช่วยได้พระแสงหอกข้างที่ก็ออกไล่แทง พระนางสุพจรั์พระนางสุพจรั์ก็ทรงวิ่งหนีร้องเรียกให้คนช่วยไปทั่วพระราชมณฑีสถานทีเดียวเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่เหมือนกับบทพระจิณิพลละคร น, นอกเรื่องคาวีตอนท้าวสันุราชไล่ตีเมียก็จะยกความให้ฟังดังนี้ แยกเป็นสุปราหลังโรงเรียนในรอยจะปรอกเป็นสถานที่จำหน่ายนักศึกรามรตุชนิชเทศธรรมะมากมายแล่เทพหมาชาติรึงกติงกรรมโดยพระครูสังกรัตบุญเรือปัญญาบโรสมเิ็สมบูรณ์ดาวชาดกและเทพหมาชาตรเวทสันโดนชาดกแล่ทาขวัญหน้าโดยสมเด็จสมบูรณ์ดาวชาดกแหละทําควันหน้าโดยน้ำพุ่งเพชรอุทัยเทศธรรมะจากครูบาอาจารย์ต่างๆโดยเฉพาะเทพธรรมะภาษาจีนแต่จิ๋ว บรรยายเป็นภาษาจีนแต่จิ๋วโดยนายแพทย์ตันหมอดเซียนพร้อมด้วยเทพธรรมาจากพระจานทร์ต่างๆอีกมากมายเทพธรรมะสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาโดยพระเทระผู้ใหญ่ครบชุดณที่รานธรรมจริญเลขที่๙๗ถึงสียยกุกระสัส์ถนนประชาธิไปไตยรังโรงเรียนในร้อยจอบปรอรโทรศัพท์ติต่อสอบถามด้วที่๒๘๑๑๕๓๕๒๘๒๗๙๖๐ครับครับครับครับ